สบายเรอปต้องยังไม่เข้าถึงจิตผู้ปุงแต่งจับสบายทุกเอ็ดอยู่กับอารมณ์ที่สบายเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความสบายเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความสบายความรู้สึกสบายเหมือนเหมือนโทรทัศน์ที่เรากําลังดูอยู่แล้วเอาตัวเราเนี่ยไปดูโทรทัศน์คือดูเรื่องความรู้สึกสบาย เราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยพอรู้สึกสบายเราก็เลยไปแช่สบายอันนี้เวลาโทษมันมีเยอะแช่สบายเนี่ยเราไปช่วยชีวิตมาหลายคนแล้วพอแช่สบายถ้าแช่แช่หนักๆจริงๆอ่ะมันจะทาให้เก็ดเลือดขาวต่ำแล้วมจะเป็นโรคภูมิแพ้ทำร้ายตัวเองเนี่ยก็คุยกับหมอมาเย็นเนี่ยเนี่ยแล้วไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาล น, นู่นอ่ะที่รักษาโรคภูมิแพ้ หมอเขาก็าสงสัยมีอยู่คนเอ๊เห็นหลวงตาพูดเขาบอกว่าไม่ตาพูดหลายครั้งเขาก็ไม่เชื่อเ ข, เขายอมรับเลยเขาก็แต่เขาสงสัยว่าหลวงตาบอกว่าไอ้โรคภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากกา ร, ร ก, การแช่แช่อารมณ์โป่งโรคเบาสบายใจว่างๆแล้วมันทําให้ไอ้จิตเนี่ยมันหมดพลังงานมันหมดพลังงานเพราะมันไปแช่ดิ่งอยู่มันเลยหมดพลังงาน ประมดพลังงานแล้วมันก็โรคอื่นตามมาเยอะมันก็ทําให้เกิดโรคโรคที่แน่นอนนั่นคือไอ้เม็ดเลือดขาวต่ําแล้วก็เริ่มเกิดโรคภูมิแพ้บกพร่องทำํำลายตัวเองแล้วก็สําคัญที่สุดคืออารมณ์อารมณ์จะรุนแรงกระทบไม่ได้พวกที่แช่โปร่งเบอสบายแช่ใจว่างว่างเนี่ยกระทบไม่ได้เลย ยิงถ้าแช่ติดจริงๆนะแช่แช่ได้มากจริงๆแช่ลึกแช่ละเอียดจริงๆเนี่ยกระทบไม่ได้เลยใครแตะไม่ได้เลยอ่ะใครแตะนิดเดียวเนี่ยรุนแรงมากกว่าความเป็นจริงหลายเท่ามากเป็นร้อยร้อยเท่าแตะไม่ได้ใครก็แตะไม่ได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะใครแตะไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นลูกเป็นผัวเป็น เจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอะไรแตะไม่ได้ถ้าผู้แช่ใจที่สบายเนี่ยแตะแล้วก็น้ำตาลล่วงของขึ้นหนูควรทำยังไงคะอะควรจะอยู่กับจริงว่าอะเนี่ะจริงเออพวกเนี้ยอันตรายอันตรายมากเล ย, เยจริงจังจริงเลยเจ้ค่ะเออเพราะหนูไปคนคนชอบ แล้วมันจะตามมาได้อีกหลายโรคคือนอกจากโรคภูมิแพ้แล้วมันจะปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนโรคกงกงน้ําในหูไม่เท่ากันโรคท้องอืดลิ้นเป็นฝ้าขาวกินข้าวไม่ได้โรคจุกแน่นแล้วก็ขอบตาแดงไปหมดเลยน้ํามูกไหลไอเนี้ยมันมาอันเดียวกันหมดเลยโซนเดียวกันขอบตาแดง น, น้ำมูกไหลไงภูมิแพ้ใช่ไหมหมอืไอโรคเนี้ยมันไปอันเดียวกันหมดเลยท้องอืดแน่นไปหมดเลยหนูควรทายังไงละคะ จะเป็นหมดหรือเปล่าที่ระโบน่ะเป็นแต่ภูมิแพ้ <laughs> เออวิธีแก่ก็คือคือจุดบอดเนี่ยวิธีแก้ก็อ่านเนี่ยไ อ, <c oughs> อ้ น, น, อ น, น, นักหนังสือจบสักทีเนี่ยอ่านหนังสือจบสักทีมันละเอียดละเอียดแล้วก็ฟังซีดีจบสักทีให้มันละเอียดละเอียดวิธีแก่อยู่ในนี้เนี่ยเออจบสักทีจบสักทีไม่ใช่จบสักทีเออจบที่ใจแ น, น่แล้วก็จบสักทีเออมันก็เลยชื่อรวมกันว่า จบสักทีจบที่ใจเนี่ยสองเล่มได้เวลาจบสักทีจบที่ใจเดี๋ยวเราออกเล่มสามจบสัทีจบที่ใจเอาสองเล่มมารวง <laughs> กันก็เวลามันไปรู้ใจที่สบายหรือเวลาไปรู้ใจที่ไม่สบายอันเนี้ยให้ถามว่าให้ถามใจของตัวเองว่าถามตัวเองว่า อาการที่สบายเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาคืออาการที่สบายเวลาอาการที่ไม่สบายก็ถามตัวเองว่าอาการที่ไม่สบายเนี่ยอาการเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองไหมว่าเนี่ยคืออาการไม่สบายใครเป็นคนรู้ล่ะอ่ะเอาไมให้ทุกอยาใครเป็นคนรู้อาการสบายอาการไม่สบายใครเป็นคนรู้เราค่ะเออเราก็เป็นคนรู้ว่าตอนนี้ใจสบายตอนนี้ใจไม่สบาย อ้ทีใจสบายใจไม่สบายไม่ได้เป็นใจหรอกอันนั้นเป็นอาการของใจเป็นเงาเป็นเงาเป็นมายาของใจแต่เราไปหลงเอามันว่าเป็นใจมันเป็นเงาหรือเป็นมายาของใจแล้วอาการเหล่านั้นเนี่ยมารู้ตัวเองไม่ได้มีเราเป็นคนรู้ดังนั้นเวลาใจสบายใจไม่สบายเนี่ยมันไม่ใช่ใจให้เห็นว่ามันเป็นอาการของใจมันเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่ใช่เราแท้ๆหรอ เราแต่แท้ตัวตนไม่มีมีแต่วิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณดั้งเดิมแต่แท้หรือจิตตั้งเดิมแตแท้เนี่ยหรือใจดั้งเดิมแต่แท้เนี่ยที่มันอวิชชาไม่มีเนี่ยที่อวิชชาเนี่ยมันจะเป็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างคิดนึกคิดตอมปรุงแต่งไม่ได้มีแต่มีแต่ความรู้มี life, แต่รู้เราก็อยู่กับรู้อยู่กับใจที่ว่างเปล่าเนี่ยได้แต่รู้แต่ความว่างเปล่าความรู้สึกว่างไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าจากตัวตนนะ ่ความรู้สึกว่างเนี่ยเป็นเวทนาขันมันเกิดดับไม่เที่ยงแต่ใจที่ว่างเปล่าอะมันเหนือกว่าความรู้สึกว่างคือมันไม่มีความรู้สึกว่างมันคือมันไม่มีตัวตนเลยมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากตัวตนว่างจากกิริยาการใดๆทั้งหมดไม่อาจปรุงแต่งกิริยาการใดๆได้มีแต่รู้อยู่กับรู้รู้รู้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอะไรเลย แต่ทุกอย่างที่เคลื่อนที่ที่ปรากฏได้คือตัวเราที่รู้อะไรแล้วพูดว่ายังไงคิดนึกตรัสตองไว้ยังไงปรุงแต่งไว้ยังไงให้ปล่อยวางให้หมดตลอดเวลาอยู่กับรู้ถ้าไม่สามารถอยู่กับรู้อย่างเดียวได้ให้บริกรรมพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องล่อไว้เป็นเป็นเครื่องล่อสัมปชัญญะไว้ให้มีความสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ ให้สังเกตตัวเราผู้บริกรรมพุทโธว่าคิดอะไรบนอะไรพูดอะไรภาคอะไรอยู่ในใจมันเงียบเงียงียเงียไปเรื่องเป็นราวหรอกถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะคือหลงฟุ้งซ่านแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่เขาไมาอยู่ด้วยที่นั่นเนี่ยคือฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราที่ภาคที่พูดที่บนที่คิดติดตองอยู่คนเดียวให้รู้เนี่ยตัวเราให้ปล่อยวางตัวเราให้เห็นตัวเราซะก่อนให้เห็นตัวเราเห็นตัวเรารู้ตัวเราที่พูดที่ภาค อยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดเลยไม่เคยหยุดอันนี้แม้แต่เราหลับมันก็ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดพูดหยุดภาคเพียงแต่ว่าเราสติดับไปมันเลยไม่รู้ถ้าสติเราไม่ขาดแเราเราจะรู้ตลอดเวลาว่าตัวเราเนี่ยแม้แต่นอนอยู่เนี่ยมันพูดมันภาคมันเอาอะไรมาคิดตึกตองวิเคราะห์วิจารวิจัยเหมือนพูดอยู่คนเดียวปรึกษาตัวเองอยู่คนเดียวตลอดเวลาอันนี้แม้แต่ฟังลงตาอยู่เนี่ยหูฟังลงตาตามองเห็นลงตาอยู่เนี่ยมันก็คิดตึกตองอะไรไม่รู้อยู่ในใจอซ้อนลงตาตลอดเวลาไม่มีใครหลัก ในที่นี้ที่จะสามารถฟังอย่างเดียวฟังลุตาอย่างเดียวตาหมอรู้ตายอย่างเดียวแต่ข้างในใจอ่ะไม่คิดติกตองอะไรไม่ไม่พากไม่พูดอะไรอยู่ในใจเราสังเกตได้ดีแต่ตัวเนี้ยอย่าทิ้งการสังเกตเนี่ยสังเกตที่ตัวเราอย่าไปจับอาการสบายอย่าไปจับนั้นมันจะแช่ให้รู้แต่ที่ตัวเราอย่างเดียวเลยตัวเราเนี้ยที่มันพูดที่มันพูดพูดพูดพูดพูดไม่หยุดพูดไม่ดเดตตัวเราเนี้ยพูดไม่หยุด พูดอยู่คนเดียวเนี่ยเราะหอยู่คนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยฟังลุงตาอยู่มันก็พูดอยู่คนเดียวรับรองเลยไม่มีใครไม่พูดหรอกมันก็วิเคราะห์แม้แต่บางคนบอกว่าไม่ได้พูดเลยไหนวัตาว่าพูดไม่ได้พูดเลยอยู่พูดอยู่นั่นไม่ได้พูดไม่ได้พูดและไอ้ใครพูดอยู่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดมันก็พูดเถียงอยู่นั่นแหละไม่ได้พูดไอ้คนที่ไม่เถียงก็บอกว่าเออเออใช่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันพูดจริงจนะเนี่ยมันพูดจริงๆมันก็พูดอยู่นั่นแหละบางคนบอกว่านิ่ง อาจารย์บอกว่าไม่นิ่งอมันนิ่งอยู่อย่างเดียวนะอาจารย์อาจารย์ว่ามันพูดอย่างไงอ่ะมันมีแต่นิ่งพอมันเห็นเราพูดเห็นเราคิดปุ๊บพอไปดูมันมันมีแต่นิ่งอย่างเดียวไม่มันพูดอะไรเลยเราบอกว่านิ่งที่ไหนน่ยมีคนพูดอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าไหนไหนอาจารย์มันมีแต่นิ่งอย่างเดียวนะแต่ใครอะที่เถียงเราชอชอดชอดชอดอชอดอย้วยนะ่ยมันก็ไม่เห็นไงบางคนก็บอกว่างเลยนะ ว่างมากเลยอาจารย์ไม่เชื่อดูสิเนี่ยว่างมากเลยเท่าไรไงเสียงจอยจอยจอยจอยจอยอยอพูดอยู่คนเดียวนั้นแหละว่างมากอาจารย์ว่าไม่ว่างยังไงเดีเยวนี่ยมันว่างตลอดเวลาแต่พูดไม่หยุดนั่นแน่ให้เห็นตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดแล้วเราจะขี้เบื่อตัวเราเบื่อคนบ่นบนขึ้นเบื่อเบื่อคนบ่นเดี๋ยวยืมเพลงเข้ามาใช่หนออะไรนะเบื่อคนบ่นบนคนเบื่อเบื่อคนบ่นเราเบื่อแต่คนนั้นคนเนี้แล้วเรามาเห็นตัวเราตัวเราที่สุดคือหน้าเบื่อที่สุดในโลก บ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดตอนเนี้ยหายแช่เลยเห็นเราเบื่อเห็นเราบ่นแต่อย่าไปทาอะไรนะอย่าไปยุ่งกับลำคาญตัวเราให้ปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยๆเบื่อแบบปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่ว่าไปดับมันเบื่อไปไล่ดับมันไม่ให้มันพูดไม่ให้มันคิดมันบ่นแล้วไปบ่นกิดรําคาญมันนะเราก็ปล่อยวางเบื่อให้เบื่อคนบ่นบ่นคนเบื่อคือปล่อยวางปล่อยวางตัวเราที่ขี้บ่นไปซะให้สักตะวันรู้หรือรับรู้ได้ความปล่อยวางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิด เห็นตัวเราบนแล้วไม่มีใครเข้าไปสเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมันมันจะพบใจตั้งเดิมแท้หรือจิตตั้งเดิมแท้ที่วา่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ใช่ความรู้สึกว่างนะว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความปรุงแต่งมันว่างเบื้องวางไพสารไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนเงียบสงบสงัดไปทั้งธรรมชาติตลวงตาคะคำวิธีกรรมเนี่ย ใช้คำวิกรรมถ้าไม่ใช่พุทโธเนี่ยได้ไหมคะก็ได้เอาเอาไปเครื่องล <Chand> ่อไว้เขียนเนี่ยเราเขาเป็นเครื่องล่อสำหรับนี่แล้วสงบแล้วทาอันนี้สบายใจก็เอานี่นะแต่เอาเป็นเครื่องล่อไว้นะเครื่องล่อใจไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็สังเกตจ้เห็นตัวเราผู้ผู้บริกรรมเนี่ยตัวเราผู้บริกรรมที่ท่องคําเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็เห็นตัวเราผู้บริกรรมตัวเราผู้ท่องเนี่ยมันบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุด ทีนี้พอใจมันสบายยังไงจะไปจะไปอยู่กับใจที่สบายใจไม่สบายยังไงจะไปอยู่กับใจที่มันสบายเพราะว่าอาจาที่สบายใจที่ไม่สบายเนี่ยมันพูดไม่ได้มันมันมันมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ว่ามันคือสบายมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ว่าคือไม่สบายก็ต้องถามตัวเราว่าใครเป็นคนมารู้ว่าใจสบายใครเป็นคนรู้ว่ามใจไม่สบายก็ได้ค่าคําตอบว่าเราเป็นคนรู้ก็รู้ที่ตัวเราเนี่ยมันรู้อะไรมันพูดไม่หยุด รู้รูปมันก็มาพูดรู้เสียงมก็มาพูดรู้กลิ่นก็มาพูดรู้อะไรที่ตมาสัพพัสธ์ผิวกายมันก็พูดไปกินอะไรมันก็พูดพูดอยู่ในใจพูดอยู่คนเดียวมีอาการอะไรสบายใจไม่สบายใจมันก็มาพูดอยู่ในใจเราสังเกตเห็นตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดวิเคราะห์วิจารวิจัยอะไรไม่หยุดวิภาวิจารไม่หยุดให้เห็นแต่ตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราที่ผภาแล้วก็ปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเราได้เมื่อไหร่ก็พบใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่ว่างเปล่าจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกว่างที่ไปสร้างไว้นะ คือปล่อยวางสังขารปล่อยวางสังขารสังขารสังขาร น, นันคือตัวเราที่ขี้บ่นนี่เนี่ยขเ ข, ข้าใจไหมอันนี้จะหลุดรอดาจากแช่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปฏิบัติแบบแบบมัน ต, ตามมาหลายโรคถ้าไปแช่ไว้อย่างเงี้ยโรคไอไม่หยุดก็มีเ <c oughs> แถวนี้ก็มีโรคไอไอไม่หยุดน่ยแช่บาทีไปตะกดจิตไว้องเงี้ยไปตะกดจิตให้นิง่งใช่ แล้วก็บอกว่ามันปฏิบัติธรรมไปสะกดจิตใด้นิง่งเฉยพอสะกดจิตได้นิง่งเฉยมันก็ตอนนี้ยจิตมันผิดธรรมชาติพอไปสะกดมันนิ่งเฉยมันก็มีโรคตามมาตอนนี้ยโรคไอโรคคุ้มแพ้โรคปวดหัวข้างเดียวไม่เกนินน้ำในหูไม่เท่ากันกงก่งกงแต่หมอบอกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเราเรียกโรคก่งกงมันเป็สะกดจิตโรคกระแตเวียนโรคบ้านหมุน แล้วพวกนี้ตื่นนอนมาบางที่มือเท้าบวมอั้นไปหมดเลยอั้นเลือดอั้นลมไปหมดเลยเนี่ยมันมาจากโรคจิตทั้งหมดโรคจิตทั้งหมดถ้าเป็นอัมมาเนยโชื่อเอบอกเลยว่าโรคจิตเปน็นอัมมาต้องไ ป, ไปกินยาเลยต้องไปหาหมอจิตแพทย์อาการเหล่าเนี้ยแล้วเนี่ยเวลาไปหาหมอหมอก็จะให้ยาตามอาการใช่ไหมหมอก็ไม่รู้สมุดฐานโรค ก, ก็ให้ยาตามอาการเนี่ยเป็นอาการแล้วก็ให้ยาตามอาการ บางทีเนี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะให้ยาอะไรคนไข้บอกไปโรคอยู่เนี่ยไม่เป็นอะไรตรวจแล้หาอะไรไม่เจอหมอแอบยา ย, ยานอนหลับมาบ้างยา ย, ยาคลายเครียดมากินแล้วกลับมาสบายใจเมื่อก่อนก็เคยมีคนไปอยู่ด้วยสบายก่อนเนี่นะถ้าไม่พาเขาไปรักษาเนี่ยโวยวายหน้าดูเลยประท้วงอะไรหมดเลยต้องพาไปหาหมอรักษาเวลาอารมณ์ไม่ดีเวลาใจิตใจมีปัญหาเนี่ยเขาเราบอกว่าไม่เป็นอะไรเขารู้ว่าไม่สบาย แต่ถ้าไม่พาไปหาหมอนะปัท้วงอยู่แล้วเนีน่โอ้ยยิ่งไม่สบายหนักกว่าอีกพอไปหาหมอหมอก็ตรวจแล้วหาโรคอะไรไม่เจอเอายาอะไฉีดมาตั้งเข็มนึ่งอยากฉีดยาถ้าฉีดยาแล้ว ด, ดีไม่รู้หมออะไรเอายาอะไรมาฉีดน้ำวิตามินเลือดอะไรก็ไม่รู้ฉีดก็มาเข็มหนึ่งนะโอ้หาโรคไม่เจอไนงะกลับมาหายดีใจมากเลยหายนี่หมอหนะ้านรู้จักกับเราอไงหลังเราแถา ม, ถามหมอไม่เห็นเป็นโรคอะไรเลยไอ้เจ้าเนี่ย ฉีดอะไรแค่ไปแล้วก็จำไม่ได้หมอบอกอะไรทับกันหรือว่าวิตามินอะไรกนะ็ฉีดไปไม่ได้ยาเลยหรอกโอ้โหได้รับการรักษามาหายจ่อยดีแทบจะร้องเพลงได้เลยยมันเป็นมันอะไรละ่ะจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยอ่ะแต่ไม่รักษาไม่ได้นะทำไม่รักษานอนสมไปสองสาวันเหมือนจะตายได้เลยเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเป็นโรคซึมเศร้าเลยแต่พอไปฉีดยาหายจ้อยเลยหายปุ๊บเลย โอ้โหไม่ได้ยาแรงมากเลยหมอยาหมอนี่ดีจังเลยถามหมอเอายาอะไรฉีดให้ไววิตามินหรือยาอะไรก็ไม่รู้งราจบไม่ได้แล้วน้ำกัดเลยหรือยาวิตามินยาบำรุงฉีก็ไปเข็มนหายเลย <laughs> ไอ้โลนหะในหูหมันเท่ากันก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเป็นเราก็บอกว่าเฮ้ยมาจากจินเขาก็ไปเชื่อเรา อะไรก็มาจากจิตมาจากจิตทั้งนั้นแหละถามเราแล้วบอกมาจะกจิตหมดเขาก็ไม่เชื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่มาในกรุงเทพหมอให้ยามากินทีนี้ไปมาสองครั้งเอาหมอให้ยามากินอีกเหมือนเดิมกินยาแล้วก็ดีขึ้นเอาแต่ไม่หายขาดไปอีกหมอให้ยามาเหมือนเดิมพอหลังยาหมดเลยขี้เกียจไปโรงพยาบาลต้องไปเข้าคิวเลยเอาย า, าเนี้ยเอายาไปไปซื้อที่ร้านขายยาไปถามเภสัช เภสัชเลยบอกว่าป้าป้ า, ป, าป้านอนไม่หลับเหรอเป็นโรคเครียดเหรอยไม่ใช่จะโรคนั้นในหูไม่เท่ากันปกยาที่ป้ามาซื้อเนี่ยเป็นยา น, นอนหลับตัวหนึ่งกับยาไอยาแก้เครียดอันนึงอะ่ะโอ้ยคว่างยาทิี่มาถึงมาถึงคว่างยาที่คว่ายาทีหา่หายเลยหายเลยเราพู้ตั้งนานไม่เชื่อ ผมว่ามันเป็นโรคจิตเธอเครียดเธอกดจิตให้นิ่งเฉยมันกดจิตให้นิ่งเฉยดัยงนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นโรคเครียด <c oughs>